อ, อการเจริญพุท ธ, ธานุสตินะครับก็เป็นการน้อมระลึกถึงคุณของพระธรรมสัมพุทธเจ้าโดยอัฐะต่างๆเช่นก็ทําให้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะถ้าเป็นพระรัชยบุคคลนี้ก็ถึงอุปจารสมาธิได้จิตเป็นไปกับคุณสนตลอดเนี่ยครับไม่มีอุเทจรักแทรกท่านนี้นถ้าเกิดมาน้อมพิจารณาถึงความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะโดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมนะครับทำไมถึงจะเป็นสมาธิถึงระดับ ทำให้จิตตั้งมั่นได้ได้หรือครับเ อ, อลําพังทั่วๆไปเนี่ยนะสําหรับคนที่ไม่ได้สัปปายะเนี่ยยากที่จะพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าการพิจารณาขันธ์ธาตอายตนะเนี่ยพอพิจารณาแล้วความละเอียดซับซ้อนจะเริ่มมีมากขึ้นเช่นนะอตอนแรกเลยนะขันท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไมา่ยากอันนี้ไม่ค่อยยากใช่ไหย รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างรูปคืออะไรพูตรูปและอุปาทายรูปภูทรูปคืออะไรพูตรูปคือมหาพูทรูปสี่แล้วมหาพูทารูปสีมีอะไรบ้างหนึ่งปัทวีเตโชอาโปและวายโยปัทวีเนี่ยแบ่งเป็นปัทวีภายในปัทวีภายนอกปัทวีภายในปัทวีภายในเป็นฉไหนผมคนเล็บปันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้น่ไงแล้วผมมีกี่รูปแล้วมีกี่สมุทฐาน แล้วก็ไล่อย่างนี้ไปจนถึงเนี่ยนะแล้วทั้งหมดการพิจารณาเหล่านี้มีแล้วผมเนี่ยมีอุปาทายรูปอะไรประกอบเล็มีอุปาทายรูปเท่าไลาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วไล่มาอย่างนี้จนครบเรียกว่าธาตุสเนี่ยนะกระอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตทั้งภายในทั้งภายนอกธาตุเหล่านี้เนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของเวทนาเนี่นะเป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของเวทนาถ้ารูปรขันเป็นอิทธารมณหน้าปรารถนาเวทนาขันก็เป็น เช่นพรหมโลกเกันนะหรือถ้ารู ป, ปรขันเป็นอนิ tha เวทนาขันก็เป็นเป็นทุกข์ถ้าเป็นมัชตาตากลางก็เป็นอุเบกขาแล้ว เ, เวทนาสามเนี่ยสุขทุกข์อุเบกขาแล้วที่ตั้งอะนะรูปารมณ์กกา ส, าสีก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามเสียงเกลิ่นรสโภตาภะก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามนี้เวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากภาษาภาษาการประชุมของภูตรูปและ อุปาทายรูปแล้ววิญญาณขันเกิดขึ้นสมอย่างประชุมการเรียกภาษาภาษาเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาทั้งโดยสัมปยุตตปัจจัยทั้งโดยอนันตระปัจจัยอุปนิสยาปัจจัยไงนะแล้วตามทวารต่างๆมาอีกแล้วโดยทวารนะอย่างรูปรูปารมณ์อย่างเดียวเนี่ยรูปนั้นเป็นคือเรียกว่าสัญญาขันที่จะณาต่อไปว่าสัญญาขันเนี่ย ยังแบ่งเป็นว่ารูปสัญญารูปสัญญาสรูปที่สัญญามีสีเขียวอย่างหนึ่งสีเหลืองสีดําสีแดงสีน้าเงินเนี่ยนะสัญญาก็คนละอย่างคนละอย่างแล้วสัญญาเหล่านี้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งตันหาต่อไปนะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งร้อกวามมสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญาต่อไปบางท่านเป็นปัจจัยแก่เนคขมมาสัญญาอัพยาปาถ้าสัญญาวิหิงสาสัญญาถามว่าคิดอย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ ที่ว่าจะสงบหรือจะหัวเนี่ยเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นอะไรแต่ร้อนนี้ก็เย็นนะก็ต่ตนันติถามว่าทำไมมันน่าจะสงบขึ้นไม่ได้หรอือเธอจริงๆแล้วนะที่ปัญญาเราพิจารณาแล้วฟุ้งซ่านน่ะตัวฟุ้งซ่านตัวต ร, ตรงๆไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่เกิดจากอุปนิสัยที่เราสั่งสมความฟุ้งซ่านมามากมันจะเริ่มมาแทรกเป็นระยะระยะเนี่ยนะ เหมือนกับว่าเอาอ่านหนะังสือสไตปิโกอ่านไปอ่านมาทําไมมันง่วงไปได้ไม่น่าง่วงเลยใช่ไหมไตก็สว่างอะไรก็ดีตั้งใจอ่านก็ตั้งใจนะอ่านไปอ่านมาแล้วก็เหาวไปเรื่อยน้ำตาไหพลพรากๆบอกสมควรแก่เวลาแล้วดึกแล้วพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวสุขภาพจะเสียพรุ่งนี้ตื่นไม่ทันทํางานไม่พอหวาไปเรื่อยก็ไม่น่าเชื่อมันแทรกได้ยังไงนะก็อ่านเรื่องโทษของผีหน้อยู่ดีๆมาปับบนียนะอไม่น่าเชื่อเล มันก็วาระของความคิดเนี่ยนะจิตเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเพราะอะไรที่จะวิจิตเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วนะนะสุดยอดความวิจิตอยู่ที่ที่จิตที่ที่เป็นวิจิตเพราะอะไรวิจิตวัตถุวิจิตอารมณ์วิจิตภวานก็วิจิตบุคคลก็วิจิตธาตุก็วิจิตเนี่ยนะเมื่อความวิจิตเนี่ยความคิดจึงวิจิตเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกจิตได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก่ แลนะต่อยานอีกนิดหนึ่งว่าอาทีนวายานคำว่าพยาตูปัฏฐาใเนปัญญามีความว่าปัญญาในการปรากฏความเกิดขึ้นแห่งอุปาทะปวตตนิมิตะอายุหนะปฏิสนธิโดยความเป็นภัยห้าคำจำง่ายๆเลยนะหนึ่งอุปาทะสองปวัตตะสามนิมิตะสี่อายุหนะ ห้าปฏิสนธินะคําหลังเป็นคําแปลว่าอุปาธาแปลว่าความเกิดปวตตแปลว่าความเป็นไปนิมิตาแปลว่าเครื่องหมายอายุหนะแปลว่าการประมวลมาปฏิสนธิแปลว่าการเกิดในพบใหม่ดังนั้นก็คือคาแปลอบาลีกับคาแปลเขาเรียงไว้ติด ก, กันห้าคำนะหนึ่งอุปาทะสองปะวะตตาสามมิมิตะสี่อายุหณะห้า ปฏิสนที่ห้าคำนี้เป็นคำที่ย่อสิบห้าคำเอาไว้ในคำห้าคำเนี่ยนะทั้งคำว่าอุปาทานิอมความไปถึงนิพพติปวัตตานิอมความถึงคติและอุบัติแล้วก็นิมิตะนิอมความถึงชราพยาที่มรณะโศกกปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตอายุหะนะเป็นชื่อของกรรมส่วนปฏิสนที่นิอมความถึงชาติด้วยห้าคำนะเห็นห้าคำนี้ว่าเป็นภัย ภัยนี่แปลว่าภัยภัยภัยน่ากลัวพยัพเถนะเนี่ยน่ากลัวเช่นราชภัยเนี่ยก็คือพระราชาเนี่ยน่ากลัวอย่างนี้โจรภัยบอกโจรน่ากลัวอุทกภัยน้ําก็น่ากลัวเนี่ยคือภัยหมายว่าสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความกลัวขึ้นสิ่งนั้นเราเรียกว่าเป็นเป็นภัยเพราะฉะนั้นอุปาธาปวัตตาไิมิตาอายูหะปฏิสซนที่เรียกว่าเป็นภัยแปลว่าน่ากลัว ก็คือในการเข้าไปยึดถือว่ามีภัยปรากฏอยู่เฉพาะหน้าโดยการประกอบความเบียดเบียนอยู่เนืองย่อมปรากฏโดยความเป็นภัยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพิญญาณตัวปฐานพยตูตัวปฐานหมายถึงตัวอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัว อ, อุปาทปภ ะ, ะ, ะวัตตานิมิตะอายุหนะะเนี่ยนะปฏิสนธิเนี่ย ห้าคำเหล่านี้ว่าโดยโย่อๆคืออะไรคือกรร ม, มวัดวิปากวัฏนั่นเองอนะเช่นอุปาธาปะวตตะนิมิตะเนี่ยนะปฏิสซนที่เนี่ยเน้นไปที่วัตะความเป็นไปเพราะว่าโดยสรุปสรุ ป, รปว่าทุกขศสตร์กับสมุทัยศัสตร์นี้มันน่ากลัวนะนะกรรมและผลของกรรมก็น่ากลัวการเกิดขึ้นในภพสามก็น่ากลัว าะคำว่าอุปา่านี่หมายถึงมิพัติด้วยปวัตตาก็คือพวกคติพวกอุบัตนิมิตก็คือขันห้านั่นแหละชราพยาที่มรณะโสกาะปริเทวะอุปาญาตอายุหะนะก็คือกรรมปฏิสนที่คือการเกิดในพบใหม่แปลว่าความเป็นไปในวัตตานี่มันน่ากลัวรวบย่อๆอีกในหนึ่งก็คือบอกชีวิตของเรามานะท่านก็เกิดมาจนถึงบัดนี้กว่าจะตายอีกก็เป็นของที่น่ากลัว เธอคือมันหน้าหวาดระแวงไปรอบด้านนี่ถ้าเกิดขึ้นในพบใหม่อย่างนะจะน่ากลัวขนาดไหนแต่อยู่บนพื้นฐานการตามเห็นความเกิดความดับอย่างดีเลยนะมนาสิการถึงความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างตลอดสายอย่างนี้ถามว่าน่ากลัวขนาดไหนเแล้วพวกที่มีปัญญานี่เหมือนกับว่าเห็นชีวิตที่มันล่องลอยไปตามกระแสน้ําตามหุบเขาเนี่ยนะชีวิตที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ําในหุบเขาเนี่ยหน้ากลัวขนาดไหน ไม่รู้จะตกเหวตกอะไรขนาดไหนก็ไม่ทราบมั้นชีวิตจนน่ากลัวมีภัยอยู่รอบด้านมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่รอบด้านไล่ๆท่านเนี่ยถามว่าเอาอีกไหมมาเกิดแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเดินตามรอยเท้าเดิมทุกเก่ามาเนี่ยนะพอใจไหมอ่า น, นะโยมหลายคนไม่สนใจเลยไหมเอ๊ะน่าจะดีไม่ใช่หรือได้เวลามามียังมีตอนท้ายังได้ฟังทำอยู่บ้างอนะว่าให้ตรงๆนะของยุคนี้เนี่ย เกณฑ์เฉลีย่ยมนุษย์ก็ประมาณ75ปีตายนะถ้าต่อไปมันจะลดไปเรื่อยโดยคำนวณโดยคำนวณรว ม, รวมๆเขาบอกว่าร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีไปเรื่อยๆหนั ก, นกๆข้อเขบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะต่อไปคําว่ากุศลกรรมบทมนุษย์จะไม่ได้ยินจะกล่าวไปใหญ่ถึงการรักษากุศลกรรมบทอย่างสมัยนี้คําว่ากุศลมันก็เข้าใจเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมแตงมูว้ต่อยมวยการกุศลตกปลาการกุศล เกลือกายการกุศลโอสสรพัดกุศลแล้วตอนนี้นะชักยุงไปหมดแล้วะดีไมด่ดีว่าป้นการกุศลอีกนะไปให้เดียดร้อนแน่เที่ยวดูหนังกลางแปลงฆ่าสัตว์ลักรับมึกเป็นการกุศลไปหมดแล้วตอนนี้นะมองว่าอากุศลกรรมบทสิบเป็นเป็นการกุศลเพราะนนั้คําว่ากุศลก็เริ่มเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแล้วนานๆหนักที่สุดก็ก็ไม่รู้กุศลนั้นชีวิตในสัตว์ยุคต่อไป มนุษย์ยุคต่อไปเนี่ยมีชีวิตเหมือนแพะแกะไก่และสุกรนไม่มีรู้จักคําว่าลุงป้านะ้าอาพี่น้องไม่รู้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครเกิดมาในยุคนั้นก็อิสระเสรีเต็มที่หมายความว่ากิเลสเล่นงานได้เต็มที่หมดเลยนะมันอยากฆ่าใครก็ฆ่าได้ทนะั้งนั้นเเพราะฉะนั้นผิดศีลและธรรมเนี่ยแทบไม่มีเหลือแล้วก็เป็นอย่างนี้นะโดยรวมๆแล้วก็สิบปีตายห้าปีนี้ก็สมสู่กันเด็ดเสร็จมาแล้นนะชีวิตก็ไม่มีการรับผิดชอบ แล้วก็ในที่สุดกิเลสมันมีกําลังเข้าก็เข็นฆ่ากันเขารียกว่าสัตย์ผตรรกะเลยนะบอกว่าทุกคนมองเห็นอะไรเป็นอาวุธหมดมองเห็นทุกคนเหมือนปลาเหมือนเนื้อของตัวเองเลยนะขาดความเมตตาปราณีมนุษย์ยุคต่อๆไปจะเป็นลักษณะนั้นจนกว่าเริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่ประชาชนเริ่มมีศีลธรรมขึ้นมาอีกนะนี้อีกนานขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วก็มนุษย์เนี่ยจะค่อยๆพัฒนาอย่างเนี้ยจนอายุประมาณแปดหมื่นปีสมัยนั้นจึงจะมีพระศรีอาร์มเลยนะก็รอไปเถอะ นั่นนะนท่าว่าโดยรวมนะถ้าใครเกิดมายุคหน้าต่อไปนะที่จะได้เจริญกุศลเนี่ยนะถ้าใครได้อย่างนั้นจริงๆมีบุญมากนันนะนความเกิดเป็นมนุษย์แม้แต่พบหน้าก็ยังน่ากลัวจะกล่าวไปลายถึงอาบายเพราะว่าถ้าอย่างวิชาอริยสัพเพเนี่ยเป็นวิชาที่จะนําออกจากวะตะวิชาที่เหลือเป็นวิชาที่หมกอยู่ในวัฏะเนี่ยนะอย่างอริยสัพเพเนี่ยตอนหลังเราก็เริ่มไม่ค่อยได้ยินกันแล้วเนี่ยนะหาได้ยินได้ฟังยากแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สอนก็จะเริ่มเลอะเลือนหายไปจากโลกแล้วเพรันอนาคตต่อไปก็เริ่มหมดมั้นชีวิตที่จะปฏิสนธิในภพหน้าเนี่ยนะเราจะมาทํากรรมอะไรกันเราจะมาเรียนอะไรเราจะมาคบหาใครจะมาฟังอะไรมามีทิฏฐิอะไรมาเป็นอุชเชท ท, ทิฏฐิหรือศัตต์ทิฏฐิก็บอกว่าถ้าตกสายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิถ้าตกสายสาศาสนาล้วนๆเลยเป็นศัตต์ทิฏฐิมันก็ไม่เข้ารัฐที่ใดก็ลัฐที่หนึ่งทจ น, นได้ อันันสังกิเลสนะอุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นถ้ายังเกี่ยวข้องขันห้านะขันห้าถือว่าดินแดนแห่งมิจฉาทิฏฐิเฉะนั้นการเกิดขึ้นในภพใหม่ก็คือเกิดมาเพื่อรองรับทิฐิทั้งหลายทีนี้เมื่อทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วถามว่าต่อด้วยอะไรต่อด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจยัยไม่ได้เป็นไปปัจจัยแก่สุดจริตนะโดยมากเป็นปัจจัยแก่ ทุจริตนี่ยนะก็เลยดำผุดดำว่ายอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะก็เลยวมอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดอันถือว่าชีวิตที่เกิดมานะก็นับว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าโดยโรวมๆเขาว่าดีอยู่แล้วแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่น่าพอใจใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปภพใหม่ต่อไปซึ่งหลายท่านบางคนอาจจะนึกด้วยว่าทําบุญไว้น้อยๆด้วยเนี่ยิ่งหน้าหนักใจมากเลยแหละถ้าใครที่ทําบุญไว้น้อยนะก็น่าเป็นห่วงก็ก็แต่ละคนให้สงสารตัวเองเอาไว้เถอะเนี่ยนะเพราะ เอาพระพุธเจ้าเป็นที่พึ่งอัดีที่สุดล้ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยวัตถะทั้งหลายเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแม้โดยกระการทั้งปวงเนี่ยตามองเห็นหูฟังตอนสติสตังเต็มเต็มขนาดนี้ยังเห็นอริยสัจไม่ได้จะ ก, กล่าวไปใยัยถึงตอนอื่นเล่านเนี่ยนะตต อ, อั้นตรนนนนงงี่จะพิจารณาจนรู้เหตุเกิดความดับอาศะท่าอาทีนวะจนกว่ า, าจะนิสรณะสลักออกจากความยึดถือใน กูปาทานสันห้าได้ผู้ที่ทําได้นั่นแหละจึงจะสามารถทาที่สุดแห่งทุกข์แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะภัยจะมีรอบด้านเนี่ยนะถ้าเรามองมองแบบคนที่ที่พ้นภัยมาแล้วนะครัมองย้อนกลับมาเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตในวัดเนี่ยมีภัยอยู่รอบด้านจริงๆอ่ะ น, น, นะมันเหมือนกับว่าสงครามที่ไม่มีเลิกลาสงครามที่มนุษย์กลัวมากคือสงครามปาณาติบาตแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ปาณาติบาตนะตามหลักพระศาสนาของเราเนี่ย ถือว่าอาคุโสลกรรมบทสิบไม่ต่างจากสงครามเนี่ยนะคนถ้าไม่ทําตานาติบาศก็ไปทำอัตินาทานนช่ไหนโลกของอัินาทานก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าสงครามโลกของการเมสุมิฉาจารก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าโลกของมุสาวาสโลกของพฤสวาจาติสุนาวาจาสัมผัสกลาปะอาพิชาพยาบาทหรือมิจฉาทิฐิน่ากลัวยิ่งกว่าสงครามเลยซ้าไปเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยรองรับอาคุศสลกรรมมาบทสิบเนี่ยนะอันถ้า ยังเกี่ยวข้องในขันท่าผู้ที่ติดข้องในขันท่าที่ทํากุศลหายากนะเนี่ย น, นะอันโดยมากก็จะทําอากุศลขณะเราศึกษาธรรมะมาขนาดนี้ศึกษาการอย่างนี้ชีวิตวันๆหนึ่งกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดมากกว่ากันเรามุทิตาให้ตัวเองหรือกรุณาให้ตัวเองมากกว่านะกันยังไงนะคุณลดกันยังไงมุทิตาเลยจะไ่ไหมยิ้มแย้เยิ้มอย่างเงี้ยอะไรนะมุทิตาเลยนะอยิ้มสีชมมองมาคูณดูนะ นะเออวันหนึ่ง24ชั่วโมงกุศลเกิด12ชั่วโมงอกุศล12ชั่วโมงก็กสูสีนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเออวันหนึ่งแล้วเราฟังทำกี่ชั่วโมงเราวัดดูนะคิดธรรมะกี่นาทีเกิดธรรมะกี่นาทีอยู่กับผู้ทุกคุณกี่นาทีบอกว่าถ้าขนาดนี้น่าเสีนใจเลยแหละก็เพราะฉะนั้นถามว่าภัยรอบด้านไหมล่ะในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั้นทั้งสิ่งที่น่ากลัวว่าโดยที่สุดไปเนี่ยเนี่ยที่นั่งนั่งกันอยู่นะทุกคนให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่ากลัวที่สุด เพราะว่าโดยรวมๆมมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของเรานั่นแหละน่ากลัวที่สุดเพราะจะฉุดเราไปไหนก็ได้ฉุดไปในภพใดก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าฉุดให้พ้นภพนี่ยหายากถ้าไม่ใช่มัสมีองแตกนะยากเต็มทีเพราะฉะนั้นฉุดไปในภพถ้าเราเรียนเรื่องกรรมมสัสการมาดีๆนะทุกอารมณ์นี่คือคตินิมิตกรร ม, มนิมิตเนี่ยนะคตินิมิตกรรมนิมิตทุกๆคําที่เราพูดเนี่ยจะเป็นกรร ม, มนิมิตต่อไป จะเป็นธรร ม, มาอารมณ์ต่อไปทุกๆเจตนาที่เราคิดขึ้นเพราะฉะนั้นวัตตะมันก็เป็นไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีที่ที่สิ้นสุดแต่เนื่องจากเราไม่เห็นไทยเหล่านี้เพราะเราสายตาสั้นเกินไปสําหรับคนที่เดินทางไกลแบบสายตาสั้นมองเห็นแค่ศอกเดียวเนี่ยนะก็คลำคลำเดินไปเรื่อยก็นึกว่าข้างหน้ามันไม่มีอะไรที่ไหนได้ไปเถอะเนี่ยนะเแปกว่าถ้าเราระลึกชาติได้เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะยังไงเราก็ต้องถอนตัวออกจากวัตตะแน่นอนเนี่ยนะ หุ่นอันนี้ไม่ถอนลงร่วมแล้วนะนะถอได้ก็ถอนเถ อ, อนะเนี่ยนะขนาดพราะผู้ใจเจ้ายังมาเที่ยวสอนให้คนอื่นถอนเถอะไม่ดีจริงๆหรอกขันห้าในขนาดนั้นเพราะว่าขันห้านะผู้ที่ได้ปิยรูปสาตรูปมากเนี่ยน้อมไปทําอะไรเป็นส่วนมากอะถ้าได้สิ่งที่น่าปลาถนามากนะเออเนี่ยนะดีนะถ้าฉันมีรถฉันจะเอาไว้ฟังธรรมขับไปฟังธรรมถ้าฉันมีเครื่องเสียงในรถฉันจะไว้เปิดเทปฟังธรรมเนี่ยนะมีตาก็ตัดแว่นจะได้มาอ่านหนังสือธรรมะ วนๆอยู่ขนาดนี้จริงๆไม่ค่อยมีหรอกนะแล้วก็เอาไปเป็นเครื่องมือในการทําอกุศลแล้วถ้าเราไปที่ไหนถ้าเป็นคนช่างสังเกตหน่อยนะไปที่ไหนบ้างเราไม่เห็นสัตว์ในอบายมีไหมของมาว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าอบายภูมิน้อยกับเพื่อนที่มันไม่เห็นเป็นรูปธรรมอ่ะนะแต่เท่าที่กุติระโยม์อยู่นี่นะออกไปข้างนอกเนี่ยนะต้องนะงานะมานสิการทางหูก็ร้องระงมป่าไปหมด มน้าเทกาลทางตาก็เดินเป็นขบวนเป็นกองทัพเลยนะเดินกันพลักพล่านกันไปหมดทั้งคืนก็ดังทั้งหนูทั้งตุ๊กแกจิ้งจกกระพัดอยู่แถวนั้นนะนะเดินไม่ได้ดูนึกครับเรารู้แล้วหอยถูกเหยียบไปแล้วครับมาเนี่ยนะถ้าดังแบบแบบเคี้ยวเคี้ยวแตงกวาเนะครับแบบนั้นก็รู้แล้วชีวิตหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่ทวไปใช่ไหมจะรีบมีหมอมีพยาบาลไปรักษาอันนี้ไม่มี เจ็บปวต่อไปแเราจะไปทายาอะไรให้มันเห็นไหมตอนนั้นก็หมูสัตว์อบายเนี่ยถ้าลงเป็นสักน้ำปั๊บเนี่ยไนงะปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็ามือเปล่าลงไปเนี่ยคว้านนู้นคว้านี่จับมาต้มต่อไปได้แล้วอย่างนี้นอันหมู่อบายเนี่ยมากจริงๆแล้วก็ผู้ที่ทํากรรมเพื่อไปอบายก็มากจริงๆ น, นะนะอันของเราทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาหรือฟังคําสอนอย่างนี้แล้วถ้าไม่พ้นอบายนะก็ ก็ น, น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากคุณธรรมที่จะทำให้พ้นอบายคืออะไรก็คือศีลเป็นต้นนั่นเองเนะี่ยะกุศลศีลนี่แหละที่จะรักษาเราไม่ให้ไปสู่อบายในขณะเดียวกันเนี่ยศีลอย่างเดียวค้นทุกไม่ได้หรอกศีลเนี่ยเป็นบาทแห่งกุศลท่านสูงต่อไปก็อบรมกุศลทัานสูงจนมากกว่ามาเป็นปัญญาว่าจนกว่าจะมีปัญญาว่าอุปาทานขันห้าที่ใดก็ตามที่นั่นแหละคือเหตุแห่งวัตทุก์ เพราะฉะนั้นตามเห็นขันห้าทุกขันห้าว่าขันห้านั่นแหละคือตัวชาติชราพยาธิมรณะตัวที่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทโมานัตอุปายาตและขณะเดียวกันนะีเป็นสังกิเลสิกะธรรมโตแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือตันหาเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือทุจริตเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือทิฐิเนี่ยนะก็วนวนว น, วนอยู่ในขันห้านี่แหละ สัตว์ทั้งหลายโดยปกติก็พัวพันวกวนอยู่ในขันห้าเหมือนเราทั้งหลายไปไม่พ้นแผ่นดินเห็นไหมเอ๊ของใครคิดไปพ้นแผ่นดินบ้างหรือยังคิดออกนอะกแผ่นดินนะไม่อยู่แล้วแผ่นดินเนี่ยนะเลิกคบแผ่นดินนะใครคิดได้ขนาดนั้นหรือยัง